3. ภิกขุนูปัสยะสิกขาบท 76. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้เข้าไปที่สำนักภิกษุณีแล้วสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณแควนสักกะถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉัพพักพคีถามเพราะเรื่องอะไร